ปีสองห้าหกหกเนี่ยถือว่าเป็นอุดหมายสําคัญอย่างหนึ่งนะของสังคมไทยเหตุผลก็คือว่าไงปีนี้นะเป็นปีที่สังคมไทยเนี่ยได้เข้าสู่หรือว่าเข้าถึงเลยดีกว่านะภาวะที่เขาเรียกว่าสังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวภาษาวิชาการเขาเรียกว่าสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นะ อันนี้ก็มีเกณฑ์วัดนะเกณฑ์วัดว่าเนี่ยถ้าสังคมใดเนี่ยหรือประเทศใดเนี่ยมีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปถ้าหาว่าเกิน 14% หรือแตะนะตัวเลข 14% บสี่เอนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์นะหรือว่าสังคมสูงวัยเต็มตัวเมืองไทยเราเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดอยู่ในประเทศหรือประเภทว่า สังคมที่กำลังสูงวัยนะเพราะว่า20ปีที่แล้วคือปี 4-5 เนี่ยนะมีคนสูงวัยคือ65ปีขึ้นไปเนี่ยนตะตอนนี้เพิ่มเป็น 14% ่ละ 14% ่เกว่าๆ ก, ก็เลยจัดให้เป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์นะไม่ใช่สังคมที่กำลังสูงวัยนะเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้ว หรือเหมือนเมื่อปีสองปีที่แล้วแล้วถามว่าเป็นอย่างที่ต่อไปเนี่ยนะอีกไม่ถึงสิบปีเนี่ยเราก็จะเป็นสังคมสูงวัยอย่างยิ่งยวดนะซูปเปอร์นะซูปเปอร์เอโซซยตี้อย่างญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเวลานี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญนะ เพราะการที่มีคนสูงวัยมากขึ้นเนี่ยมันก็มาพร้อมกับการที่มีเด็กเกิดน้อยลงนะเด็กเกิดน้อยลงก็หมายความว่ามีเด็กนักเรียนน้อยลงมีหนุ่มสาวน้อยลงเดี๋ยว น, นี้เราก็เห็นนะโรงเรียนปถมเนี่ยหรือว่าโรงเรียนตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยปิดตัวไม่ใช่น้อยเลย เพราะว่าไม่มีเด็กมาเรียนหรือว่ามาเรียนไม่ถึงเกณฑ์ก็ถือว่าไม่คุมนะก็ปิดโรงเรียนแล้วไปควบรวมกับโรงเรียนอื่นในหมู่บ้านใกล้ๆนอยนั้ น, นี้นะเราก็เห็นนะสังเกตได้นะหมายลัยหลายแห่งเนี่ยก็มีนักศึกษาน้อยลงหัวตะกอนี่เรามีหมายชยนี่กระจายกันไปทั่วประเทศนะ ร้อยสองแห่งได้มั้งแต่ตอนนี้เริ่มมีปัญหาไม่มีนักศึกษามาเรียนหรือว่ามาเรียนน้อยลงนะจนต้องยุบเลิกบางแผนกบางยังไม่ถึงกับบางคณะนะแต่ต้องยุบยุบเลิกบางคณะบางบางชั้นเรียนก็ต้องยุบไปเลยนะเพราะว่าคนเรียนไม่พอหรือมิชนะก็แย่งกันนะบางทีเปิดรับสมัครแล้วเนี่ย ก็ยังมีคนสมัครไม่เท่าไหร่แต่ว่าสิ่งสาคัญคือว่าเนี่ยมีคนสูงไวัยมากขึ้นคนสูงวัยมากขึ้นเนี่ยขณะที่มีลูกกันน้อยลงก็หมายความว่าครอบครัวหนึ่งนะคนแก่หรือว่าผู้สูงไวัยจะมีลูกนะมาดูแลน้อยลง แต่ก่อนนี่พ่อแม่นี่มีลูกสี่ห้าคนบางทีก็ 8-9 คนก็ช่วยกันดูแลพ่อแม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ครอบครัวนึงก็มีลูกกันแค่คน2คนบางทีก็ไม่มีครอบไม่มีลูกเลยหรือบางคนก็ไม่แต่งงานเป็นโสดนะเพราะฉะนั้นในขาที่โรงเรียนอนะ า, ายุมหาชลรายไม่มีนักศึกษาปรากว่าตอนนี้เริ่มมีบ้านพักผู้สูงอายุ เปิดมากขึ้นแต่ก็ยังไม่พอนะยังไม่พอแล้วก็หมายความว่าต้องมีหมอที่เชี่ยวชาญด้านคนสูงวัยมากขึ้นแต่ก็ยังน้อยอยู่นะแม้แต่ในอเมริกาเนี่ยซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยเขาเยอะมากบอกว่าขาดแคลนหมอที่เชี่ยวชาญดูแลผู้สูงวัยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหมอ เรียกว่าอายุระอายุรแพทย์หรือว่าหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเนคนไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่เมืองไทยขาดมากอต่แล้วก็ตามเนี่ยนะแม้ว่าคนสูงวัยจะมีมากขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องลงเอ่ยด้วยความเจ็บความป่วยเสมอไปหรือความอ่อนแอเขาบอกว่าเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ย เวลานี้เนี่ยอายุ70เนี่ยพอสอเนี่ยถ้าพูดถึงความแข็งแรงหรือสุขภาพทางกายแล้วเนี่ยพอๆกับคนไทยเมื่อคนไทยอายุ50ปีเมื่อห้าสปีที่แล้วอายุเจิวันเนี่ยนะพูดถึงสุขภาพเนี่ยพอๆกับคนไทยนะอายุห้าสปีนะเมื่อ50ิปีที่แล้ว นั่นก็หมายเขาว่ายังมีกําลังวังชาอยู่นะยังสามารถที่จะทําอะไรได้อย่าไปคิดว่าเนี่ยพอฉันเจ็ดสิบแล้วนี่ฉันชาราแล้วเป็นคนชาราภาพแล้วเขาบอกเนี่ยคนสูงวัยคนชาราภาพไม่เหมือนกันนะในเวลานี้นะคนสูงวัยนี้ก็ยังโดยเพราะเนะนี่ยเจ็ดสบเนี่ยนะเจ็ดสิบห้านี่ก็ยังไม่เรียกว่าชาราภาพก็ได้ เพราะว่ายัางสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะไม่ต่างจากคนอายุ 50-60 หิบเมื่อ50ปีที่แล้วแต่นั่นก็หมายความว่าต้องนะต้องดูแลรักษาสุขภาพนะเช่นการกินอาหารนะถ้ากินตามใจปากไม่สนใจเรื่องสุขภาพนี่บางที่้านี่ก็บาหวานเล่นงานแล้วโรคหัวใจก็คุกคามแล้ว มีดตวายนะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่แต่ถ้าดูแลสุขภาพดีนะอก็ยังทํางานทําการหรือออกกําลังกายได้เรื่องออกกาลังกายก็สําคัญนะพ่าออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยอย่างน้อยๆก็เดินนะเดินวันละนับหมื่นก้าวนี่ยมันก็ช่วยได้อย่าเอาแต่นั่งถ้านั่งไปนานๆ น, านี่สมองก็แย่นะไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อมันแยกเดี๋ยวไม่ใช่แค่ปอดหัวใจไม่ดีอย่างเดียวสมองก็แย่ ด, ด้วยเพราะว่า พอาออกกำลังกายมันก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองเต็มที่นะตรงข้ามของกำลังกายด้วยเพราะอกาลังกายแบบเรียกว่าแอโรบิกเนี่ยนะขยิบขยับใช้ปอดใช้ตุ้นหัวใจเนี่ยมันก็ทําให้เลือดไปสมองเลือดไปเลี้ยงสมองสมองก็เสื่อมช้าลงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะที่คนสูงวัยเนี่ยต้องสนใจ นะไอ้ที่สำคัญคือฝึกใจด้วยนะอย่างน้อยก็มองว่าเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นผู้สูงวัยหรือว่าเป็นคนแก่นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงหรือห่อเหี่ยวนะใครที่คิดแบบนี้มันก็ทำให้ร่างกายจิตใจแย่ลงนะเพราะว่าใจนี่ก็สำคัญก็ เ, เคยมีการทำวิจัยเนี่ยนะกับคนอเมริกันเนี่ย อายุ40ว่ามองหรือมีทัศนคติต่อความแก่อย่างไรแล้วก็พบนะคนที่มีทัศนคติว่าแก่นี่ไม่ดีเนี่ยเงอะงะหลงหลงลืมลืมน่าเบือ่อหรือว่าหมดเรี่ยวหมดแรงเป็นภาระกับครอบครัวเนี่ยพอถึงเวลาแก่จริงๆนะมีโอกาสไปลกอัลไซเมอร์สูงกว่าคนที่มองว่า เมอแกนี่มันก็ไม่ได้เสียหายนะแก่นี่เราก็ยังทําอะไรได้เยอะเลยเหมือนกันนะนอกจากโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นแล้วนะหือมีโอกาสเป็นโรคอัลไมอมากขึ้นแล้วโรคหัวใจก็มีโอกาสเป็นมากนะกับคนที่มองว่าความแก่นี่มันไม่ดีนะนี่ก็ทางบางคนที่อายุ40แล้วก็ตามไปจนถึงอายุ6ก70นะและยิ่งคนที่ตอนนี้ก็แก่อยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าความชั้นแก่นี่มันเป็นภาระ นะของครอบครัวเป็นภารกิสังคมนะมีแต่จะร่วงโรยอยู่ไปวันๆเนี่ยอย่างนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แต่ถ้ามองว่าความแก่นี่มันก็มีประโยชน์นะมันทาหมายถึงการมีวุฒิภาวะมากขึ้นหมายถึงการที่รู้จักปล่อยรู้จักวางได้มากขึ้นร่างกายแก่เรียกว่าขาลงในทางกายแต่จิตใจมันขาขึ้นได้นะ ร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีแต่จะเสื่อมถอยลงนะแต่ใจิตใจมันมีโอกาสที่จะขึ้นได้นะเดยวเพราะถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องการฝึกจิตการเจริญสติและการเรียนรู้เรื่องธรรมะนะเข้าใจชีวิตยอมรับความทรารู้จักปล่อยรู้จักวางนะเราก็จับพึ่งตัวเองได้ไม่ปล่อยช่วยให้ง่อยเหงานะรู้จักหาอะไรทำที่มีประโยชน์ โดยเพรารวมกลุ่มกันนะเป็นจิตอาสาในหมู่คนชราด้วยกันมันก็ทําให้จิตใจแจ่มใสนะไม่ได้ย่ําแย่หรือว่าไม่ใช่ตกอยู่ในภาวะขาลงเหมือนกับร่างกายเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้นะสำหรับผู้สูงวัยนะจะต้องนะเตรียมกายแล้วก็ฝึกใจให้พร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงทั้งของร่างกายและจิตใจ ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าทำได้นี่ความชารานี่มันก็ไม่ได้ไปบั่นทอนอสุขภาพกายสุขภาพใจเท่าไหร่นะก็ยังสามารถมีชีวิตที่ผาสุกแล้วก็แจ่มใสได้